Thank <laughs> you.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 ส่วนกายส่วนจิตส่วนกายนั่นก็เลี้ยงด้วยข้าวปลาอาหารส่วนจิตก็เลี้ยงด้วยศิกษาและทัศน์คือคุณธรรมเป็นอาหารจิตเราจึงมีการศึกษาทั้งสองส่วนให้อาหารทั้งสองส่วนจึงจะสมดุลการปฏิบัติธรรมการเจริญสติเป็นการให้อาหารจิตวิญญาณ ให้จิตวิญญาณได้สัมผัสกับปกติธรรมทั้งหลายในสภาพของจิตไม่ใช่ว่าจะคิดปุุงๆแต่งๆโดยเฉพาะจิตใจของเราเนะ่เราใช้จิตใจไม่เป็นเอามาไว้วิตกองวลเศร้ามองเอามาไหวรักไหวชังเอาไว้สุขไหวทุกข์มันไม่ใช่ธรรมชาติของจิตบางทีเราก็ชิดจนทำให้ตัวเองเก็บปวด จิตแบบกัดตอดตัวเองให้เจ็บปวดอ น, นั้นไม่ใช่ไม่ถูกต้องจิตใจเนี่ต้องพึ่งเอาไว้หยุดเอาไว้เย็นเอาไว้ให้อยู่ในความปกติเนี่ยต้องมีสิกขาได้ทำมีสติมีสมาธิมีปัญญาคอยดูแลจิตผู้ใดเลาวังจิตผู้นั้นจะพน้นจะบวงแห่งมารจิตตัดสะนิรติโลโกโลกโล ก, โลกอันจิตย่อมนำไป จิตตั้งทันตั้งสุขวหังจิตที่ฝึกดีแล้วน้อมความสุขมาให้เราไม่จิตก็ต้องให้เพื่งจิตตด้ให้เราจึงมาพากันมาปฏิบัติมันจึงจําเป็นเราไม่กายเราไม่ใจอย่าไปคิดแต่เรื่องกายอย่างเดียวมาดูแลจิตใจด้วยการมาปฏิบัติการมาเจริญสติมันโดยตรง โดยตรงเราเจริญสติมันก็เป็นการฝึกขัดกิจไปในตัวแม้บางทีก็ฝึกขัดตรงๆฝึกขัดตรงๆจะเอกันตรงๆเรากำลังเจริญสติอยู่ดีๆมันคิดพุดขึ้นมารู้สึกตัวตรงๆจะเอกับความคิดที่มันลงความรู้สึกตัวกับความหลงที่เกิดขึ้นกับกิจมันเป็นบทเรียนที่มีค่ามาก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 หายไปหยุดไปเรียกว่าบรรลุธรรมชีวิตเราต้องเป็นการบรรลุธรรมบรรลุปัญหาที่เกิดขึ้นกับจิตใจของเราฝึกฝนเราไว้ไม่ใช่จะรับเอาทุกอย่างโดยพอเรื่องจิตใจนี่สั่งงานสั่งการให้กายหอผิวกายหอผิวอะไรต่างๆมันก็ไม่ไหวทำตามความคิดหมดทุกอย่างไม่ได้ชีวิตเรามันต้องอยู่อย่างนี้อยู่กับกายอยู่กับจิต อย่าเป็นจะตายมันก็เรื่องของกายของกิจแล้วการปฏิบัติธรรมจะเกิดความสมดุลในการมีชีวิตความหลงไม่ใช่ชีวิตความรู้สึกตัวนี่คือชีวิตความโกรธความทุกข์ความวปตกกองวลมันไม่ใช่ชีวิตความไม่โกรธไม่ทุกข์ความไม่กงังวลความปกติคือชีวิตชีวิตแบบในชีวิตไม่ตายตราต้องได้ชีวิตแบบนี้ให้มันเป็นคนละส่วนโลกโลกทั้งหลาย แล้วก็ใช้กายใช้จิตของเราให้เหมาะสมไปกับเหตุปัจจัยต่างๆพระพุทธเจ้าตรัสไว้สัพพลัสสังธรรมรัสโศลดของพระธรรมเนี่ยชนะลดทั้งปวงไม่ใช่ลดแบบอะไรต่างๆที่ลดของโลกมันก็ไม่ลดนะโลกก็ไม่ลดนะจนมนุษย์ทั้งหลายคนทั้งหลายสัตว์โลกทั้งหลายติดลดของโลกแลาวไม่มีสติสัจจะเนี่ยโลกก็ไปจินหมดเลย ชีวิเรานะลำเลาความจางความสุขความทุกข์ยินดียินร้ายวิตกกังวลเศรมองตาหูจมูกลิ้นกายใจมันก็มีรแล้วก็แบ่งปันให้รถเหล่านั้นจนไม่มีอะไรเหลือบางทีนะตามันก็มีรถกินอาหารต่างๆหูมันก็มีรถกินอาหารทางหูจมูกมันก็มีรถกินอาหารทางจมูกลิ้นมันก็มีรถกินอาหารทางลิ้น มันบางคนไม่ลดกินอาหารทางกายจิตใจมันก็ไม่ลดกินอาหารทางจิตแต่ว่าจิตนี่แทบจะไม่มีรแรงแหกแ้งไปทุ่มเทให้กับตาหัวจมูกเล่นกายไปเสือทั้งหมด้าเราได้ลดของพระทรมแล้วลดท้องพวง ก, ก็จะจืดนะเราว่าจืดแต่มันไม่มีค่าส่วนจิตที่มันเป็นอิบความปกติของจิตนี่แล้วก็ใช้ลดจนถูกต้อง มาจะมีตามีหูมีจมูกมีลิ้นมีกายมีของเขาเป็นใหญ่ตาก็เป็นใหญ่หูก็เป็นใหญ่จมูกก็เป็นใหญ่ลิ้นก็เป็นใหญ่กายก็เป็นใหญ่แต่ว่าจิตนี่ถ้าไปสติอินซีเข้าไปเป็นจิตที่ฝึกตีแล้วก็เป็นใหญ่ะถ้าใหญ่ด้วยความเป็นธรรมแต่ถ้าเราไม่ฝึกตีจิตมันก็เป็นใหญ่เหมือนกันใหญ่แบบเถื่อน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 มันตามไปมากแะแห่เราไปแห่ในกายแห่ในกิจแต่ว่ากิจใจของเราเนี่ยถ้าเราฝึกมันจะมั่นคงมันจะเกิดการเห็นความไม่เที่ยงก็เป็นเรื่องของความไม่เที่ยงไม่เข้าไปเสกหยบไม่เข้าไปอยู่กับมันเป็นผู้ดูมันหัวเราะความไม่เที่ยงหัวเราะความเป็นทุกข์หัวเราะความไม่ใช่ตัวตนเดีย๋ยวว่าปัตตาเฮตโนนาโถพึ่งได้แล้วบ้านะ เป็นชีวิตที่พึ่งได้เมื่อควาไปเที่ยงเกิดขึ้นกับเราเมื่อควาไปเที่ยงเกิดขึ้นกับคนอื่นเราก็รู้แล้วรู้แล้วความไปเที่ยงรู้แล้วรู้แล้วรู้หมดเหมือนหลวงพ่อพูดในวันก่อนๆมันก็เรื่องเดียวเรื่องกายเรื่องจิตของเรานะ่ยมันไม่มากหรอกมันไม่มากแต่เรามามาสติสติ ด, ดูเห็นมันอาการต่างๆที่มันเกิดขึ้นกับกายกับใจ เราก็ได้ทําแล้วความหลงกับความรู้ความหลงก็สอนให้เรารู้ความผิดก็สอนให้เรารู้ความสโศกสอนให้เรารู้ความทุกข์สอนให้เรารู้อะไรต่างๆตัวรู้ศึกตัวเนี่ยเข้าไปเฉลยเราใช่เรื่องในใช่การศึกษาเพราะว่าศึกษาคือถั่หลงย่อยแล้วความหลงไม่เป็นรุ่นเป็นก้อนความทุกข์ไม่เป็นรุ่นเป็นก้อนย่อยออกแล้วถั่หลงแล้วแยกแล้ว ทำให้หมดไปแล้วความหลงเป็นสังขารเสียงไหนที่เกิดขึ้นกับสังขารสังขารคือการปรุงปๆุงแต่งแต่งเสียงไหนที่มันเป็นผลผิดผของสังขารทั้งหลายแสดงว่ามันไม่เที่ยงมันเป็นทุกข์มันไม่ใช่ตัวตนแต่ถ้าเราไม่ศึกษาเสียงไหนที่เกิดขึ้นกับสังขารเราก็ไปยึดเอาว่าเป็นตัวเป็นตนอย่างที่เราสวดธมวัดเ้านะ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 พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนสาวกทั้งหลายสาวกทั้งหลายรู้เลยว่าโดยยอประทานขันธ์ทั้งห้าเป็นตัวทุกข์โดยยออเทถัทงได้แก่เสียงเหล่านี้คือรูปมันก็ไปเทียงเวทนาก็ไม่เทียงไม่ใช่ไปยึดแต่ว่าเป็นตัวเป็นตนไปอยู่กับความไม่เที่ยงไปอยู่กับความเป็นทุกข์สงสาวกทั้งหลายาลก็ารู้เรื่องนี้เป็นส่วนมากเอวังเอวักเอวังคือสรุปแล้ว ถ้าเห็นตามความเป็นจริงนะบนรรลุธรรมก็บรรลุตรงนี้ธรรมฉัายการธรรมที่สุดแห่งของทุกข์ทั้งเ้นเี่จะเพิ่งปรากฏชัดแจกเราได้ความทุกข์คือรูปคือเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณที่มีอุปทานเอาไปยึดเอายึดเอาก็คว้าน้ําเหลวกันทั้งนั้นยึดเอาความหลงมันก็ไม่มีความหลงยึดเอาความโกรธมันก็ไม่มีจริงๆความโกรธ ยึดเอาความทุกข์มันก็ไม่มีจริงๆความทุกข์เราไปยึดเอาเป็นคลั้งเป็นข่าวยึดเอาความรักยึดตัวความชังตูกความรักความชังหลอกตูกความโกรธความโลภความหลงหลอกเสียผู้เสือคนมันมันเกิดเจอเรามันก็ไม่มีตัวไม่ตนแล้วก็หลอกเราได้ดีไม่มีตัวไม่ตนจริงๆมันก็ไม่น่ากลัวอะไรบางทีก็ยอมแพ้ เพื่ความโกรธก็ย่อมทําตามความโกรธแพ้ไปเลยปราละชัยไปเลยไม่เคยเอาความโกรธมาศึกษาความทุกมาศึกษามาดูซิว่ามันมีจริงๆริงไหมมันหายไปเมื่อไหร่ไม่รู้บางทีนะถูกคนหลอกทำให้เกิดการทะเลาะวิวาทฆ่ากันตายก็แม่เมื่อถูกความโกรธหลอกเราก็ฆ่าฆ่ากันด่างมนสมัยที่ ร1 1ยสองร้องตาอยู่มึงเลยปฏิบัติธรรมกัวหลวงปูเทียนมีชาวบ้านลูกกับพ่อตายอันนี้เห็นกับตาแล้วก็พ่อกับลูกสภัายอยู่บ้านปู่เนี่ย ก, ก็พูดกับลูกสภัายลูกสภัายก็ร้องไห้ไปหาหัวของตนที่ทำงานอยู่ในไร่ ขับรถมอเตอร์ไซไปบอกหัวตัวเองว่าปู่ด่าหัวของตัวระดเยดเมียไปบอกขณะที่ทํางานอยู่เขาโกรธทันทีคนทํางานหนักๆอะไรก็ตามจะโกรธง่ายใจมันจะเปราะบางพอไปบอกว่าปู่ด่าก็โกรธทันทีพอโกรธล้วก็ขับรถพอเตอร์ไซค์ดเบืกลงเลยมะเก็บมีปืนลูกสอง ที่ถูกต้องครับคนหมายเข้าโด ง, ขงเข้าป่าก็จะพายปืนลูกซองไปพายปืนลูกซองไปก็ขับรถปอร์เช่มาเข้ามาบ้านปู่กาลังเลาตอกไม่ไัยอยู่ยังไม่ได้พูดจาอะไรแล้วเขามโกรธก็เอาปืนลูกซองเดียวยิงปู่ปู่ก็บอกว่าอย่ายิงอย่ายิงเอามือบังไว้มึงอย่ายิงอย่ายิงไงพูดจาแบบยิงถูกขวามือถูกหน้าผา ทันทีพอพ่อตายแล้วลูกชายที่ไปยิงพ่อนนัวางปืนทิ้งขึ้นทันทีโอ้ยพ่อกูตายแล้วพ่อกูตายแล้วความโกรธหายไปเลยกลายเป็นความผิดอย่างใหญ่หลวงตอของโกรธมันหายไปกลายเป็นความสงสารพ่อทันทีอุ้มพ่อกอดพ่อร้องหหมร้องไห้เสียอกเสียใจแล้วก็นั่งร้องหม่มร้องไห้กอดศพพ่อแล้วก็รอให้ตำรวจมาจับ ตอนมีคนไปแจ้งตำรวจมาจับตำรวจก็จับไปสารภาพก็ติดคุกกติดคุกออกว่าก็มาเป็นคนดีทำบุญทำทานช่วยเหลือพี่น้องวความผิดพลาดที่ตัวเองทำความชัว่วความโกรธแป๊บเดียมวมันก็หายไปทำตามความโกรธมันไม่มีจริงๆความโกรธเราก็ไปเสียเปรียบความทุกข์มันก็ไม่มีจริงๆ เอาไว้เนี่ยสิ่งเหล่านี้จะไม่มีอำนาจที่จะมาสั่งให้เราทําได้เรารู้สึกตัวเรารู้สึกตัวเราฝึกเอาไว้แล้วเห็นมันแล้วเราเห็นความทุกข์ก็อย่างดีนะเห็นความเบื่อหน่ายเห็นความขี้เกียจขี้ค้านที่มันสดแชกขึ้นมาเรากําลังทําดีบางทีมันก็คิดขึ้นมาเบือ่อเซง็งเครียดน่ะมันเกิดขึ้นได้กับเรากลายเป็นความเครียดผมก็เคยสอบอารมณ์นับปฏิบัติ คนกรุงเทพมาปฏิบัติถามเขาเป็นยังไงหนูอกเขาพูดว่าไม่ไม่ไหวเลยหลวงพ่อวันนีมันเครียดมันคิดมากแย่เลยแย่เลยก็เลยถามว่านักกรรมาฐานไม่ใช่พูดแบบนั้นพูดใหม่พูดใหม่จะพูดยังไงดีห่ะมันเครียดมากไม่ใช่พูดใหม่ เราเป็นนักกรรมฐานแล้วเราก็พูดไปว่าวันนี้หนูเห็นมันเครียดเอออย่างนี้สิเห็นมันเครียดกับเป็นผู้เครียดต่างกันไหมต่างกันไหมถ้าเห็นมันเครียดเนี่ยเบาสักหน่อยไหมถ้าเป็นผู้เครียดเนี่ยหนักไหมเอออย่างนี้สินี่นักกรรมฐานเห็นมันเครียดพอเขาบอกว่าอวันนี้หนูเห็นมันเครียด เอออย่างนี้อย่างนี้อย่านี้นักกรรมาฐานต้องดูแบบนี้เป็นผู้ดูอย่าเข้าไปอยู่พอหลงตาบอกเนี่ยเขาก็หน้าตาก็เบิกบานแต่ดูมันก็เปิดภาวาที่เห็นเข้าจังๆแยกได้จังๆหน้าเมือเป็นหลังมย์ระหว่างความเครียดกับความไม่เครียดมันก็มาพร้อมๆกันเกิดที่เดียวกันดูดีๆนะมันเกิดที่เดียวกันความเครียดเกิดขึ้นที่กิจ ความไม่เครียดก็อยู่ที่จิตนั่นแหละความโกรธมันเกิดขึ้นที่จิตความไม่โกรธก็เกิดขึ้นที่จิตนั่นแหละอะมันอยู่อย่างนั้นเหตุมันมีผลมันก็มีพระพุทธเจ้ายังบอกว่าไม่แต่เหตุกับผลการที่ตัดสรุปของพระพุทธเจ้าตัดสรูปอริยสัจสี่อริยสัจสีก็ไม่เหตุกับผลความโกรธความไม่โกรธความโกรธเกิดขึ้นที่จิตมันเป็นเหตุที่ทําให้จิตมันโกรธแล้วก็เปลี่ยนตรงนั้นแหละ เหตุเกิดขึ้นที่ไหนก็ตับแห่งเหตุ น, นั้นั้นอย่าไปด่ากันเวลามันโกรธขึ้นมาไปด่ากันกูได้ด่ามันกูก็หายโกรธไม่ใช่เลยก็ต้องเปลี่ยนในกิตของเรานั่นแลหละเนี่ยเราฝึกเอาไว้แต่เราไม่ฝึกมันก็ไม่มีใช่นะก็พัดไปเลยแล้วเราจึงมามีหลักกรรมาฐานเป็นหลักฐานมีนที่ตั้งมีหลักแล้วเรามีหลักแล้วเรามีความรู้เป็นเจ้าเรือนมีความรู้สึก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 ใช่ตาใช่หูเราจึงมาฝึกขัดให้มันมีแต่ไม่ฝึกมันไม่มีอย่าให้จนเลิกดีอะไรเกิดขึ้นก็นตามเรามีสติแล้วเข้าขัางความรู้สึกตัวเอาไว้ก่อนพูดก่อนทำก่อนคิดขณะที่พูดขณะที่ทาขณะที่คิดมีสติเป็นเจ้าเรือนมีสติเป็นเป็นใหญ่เป็นสติอินรี์เป็นใหญ่กว่าตากว่าหู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 ทำงานทำการประสบการณ์ไปเรื่อยๆศึกษาไปเรื่อยๆบางคนนะ่ยปฏิบัติธทำเนี่ยตอนที่ปฏิบัติในภาค ก, การกรรมจริงๆเนี่ยไม่ค่อยจะเข้าใจพอไปประกอบอาชีพบางคนไปอาบน้ําหลวงพ่อยังได้รับจดหมายของนายแพทย์คนหนึ่งอยู่จังหวัดนครสวรรค์เขาเข้าใจชีวิตตอนที่เขาอาบน้ําเขาถูสบู่ถูไปถูมารู้สึกตัว พอดีขณะนั้นมันคิดขึ้นมาเขารู้ทันขนาะนั้นพอดีเขาเรียว่าได้ชัยชนะได้ชัยชนะของกิจที่มันคิดที่มันหลงเขาบอกว่าโอ้ทำไมมันเป็นอย่างนี้หลวงพ่อผมไปเห็นความคิดที่มันเกิดขึ้นกับกิจผมกําลังถูสบูลูบสึกตัวอยู่มันคิดขึ้นมาผมรู้ทันมันเจ๋อเอ๋มันหลวงพ่อว่าอย่งเก่งนะอะไราเลยความคิดแบบนั้นน่ะ แต่ก่อนผมไปกับมันเดี๋ยวนี้ผมไม่ไปแล้วมันปลาไหลใจวันพ่ายแพความรู้สึกตัวชนะไปเลยเป็นการชนะตัวเองชนะตัวเองก็คือชนะตัวหลงที่มันเกิดขึ้นกับคิด น, นะครับไม่ใช่ไปชนะคนอื่นชนะคนอื่นลอยครั่งพันหนไม่ชนะตนครั่งเดียวชนะตนคือชนะตัวหลงที่มันเกิดขึ้นกับคิดตรงนี้ครัเอาเ ป, เป็นเป้าเลยพวกเราการบําเพ็ญทางจิตก็คือทําอย่างนี้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 ความหลงเกิดขึ้นเปลี่ยนความหลงเป็นความรู้บรรลุธรรมแล้วความโกรธเกิดขึ้นเปลี่ยนความโกรธเป็นความรู้สึกตัวบรรลุธรรมแล้วอะไรก็ตามนะบอกแล้วบอกอีกว่าตัวรู้สึกตัวที่เป็นสติปัฏฐานากเก่งๆเนี่ะตัวนี่แหละเป็นตัวที่ทําให้เกิดการบรรลุธรรมมันเปลี่ยนไปแล้วแก่ได้แล้วพ้นไปแล้วมันหลงกัพ่นเจ้าความหลงมันทุกข์กัพ่นเจ้าความทุกข์มันมีเพื่อความหลุดพ้น ที่สุดของการศึกษาปฏิบัติคือพรหมวจันทร์พรหมวิจันทร์คือความหลุดพ้นความบริสุทธิ์ความปกติอัน น, นี้เราต้องทำให้เป็นถ้าไม่หัดมันก็ทำไม่เป็นมันก็ข้วเอาตะเพิตะเพิ่งลกจากเลือกการรูกจากเลือ ก, ก, ก, กเขาเรียกว่ารำมิจยารหรือโยนิโสมันนะสิการสอดสองเหมือนกับเรากินข้าวกินอาหารต้องขบต้องเคี่ยวการเคี่ยวอาหารเนี่ยบางทีมันก็ ถ้าไปถูกเล่นถูกเขี้ยวถูกฟันของเรามันไม่กลืนมันเอาออกเข่นถูกดูดถูกก้างมันก็เอาออกมันคลายติ้งไปมันไม่เอาเรียก ว, ว่าธรรมวิจยะการขบเขี้ยวการสอดส่องดูแหลดูอย่าเข้าไปอยู่เห็นอย่าเข้าไปเป็นในกายในใจเนะ่อะไรที่เกิดขึน้นกับกายดูอย่าเข้าไปอยู่ อะไรทีมันเกิดขึ้นกับกายกับใจเห็นมันอย่าเข้าไปเป็นก็บอกแล้วบอกอีกบอกแบบง่ายๆบอกแบบสุดยอดเห็นอย่าเข้าไปเป็นเห็นมันหิวเป็นผู้หิวหรือว่าเห็นมันหิวถ้าเป็นผู้หิวเลกหมดเนื้อหมดตัวมันก็เป็นโลกไปแล้วลดของโลกเอาชีวิตเราไปแล้วเห็นมันหิวไม่ใช่เป็นผู้หิวขอบคุณความหิว มันไม่ตายเพราะความหิวขอบคุณความร้อนความหนาวไม่ใช่เอาความร้อนความหนาวมาเป็นทุกข์ <Mother. S 1> ไม่ใช่เอาความหิวมาเป็นทุกข์ถ้าเราไม่เบียหลักเอามาเป็นทุกข์ทั้งหมดร้อนก็ทุกข์ใจแล้วหนาวก็ทุกข์ใจหิวก็ทุกข์ใจเจ็บปวดก็ทุกข์ใจอะไรต่างๆที่เกิดขึ้นกับกายกับใจเอามาเป็นทุกข์บัตตเอามาเห็นเอามาเป็นการพบเห็นถ้าเห็นเราหลุดพ้นนะ นักปฏิบัติคนหนึ่งเขาเป็นโรคมะเร็งเต่าน้ำเหลืองแล้วก็กระดูกด้วยทำไม๕๑๘หลวงพ่อเคยไปสอนทำที่กรุงเทพวัดชประทานเขามาปฏิบัติธรรมกับหลวงพ่อเขาก็พอเอาชีวิตรอดได้เขาเป็นโรคมะเร็งเขาก็ออกจาก บ, บ้านหลังใหญ่เขาเป็นสามีเขาเป็นนายทหารใหญ่เขาลงแก่ บ, บ้านหลังใหญ่ไปปลูกกระต๊บอบอยู่ มุมหนึ่งของบ้านในลั้วบ้านปลูกหญ้าเขียวปลูกต้นไม้ปลูกดอกไม้พอเป็นลูกชายสองคนลูกชายเขาก็เป็นคนดีเขาอยู่คนเดียวห<อ>ลวงพ่อไปเยี่ยมเขาเขาพูดให้ฟังโอ้หนูแยกรูบแยกนามออกแยกความปวดความปวดเป็นอาการของกายใจไม่ปวดก็ได้นะหลวงพ่อนะถ้าจะอยู่กับความปวดโอ้หนูอยู่ได้แตโรคมะเร็งกระดูกมันปวด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 ไม่เข้าไปอยู่ไม่เข้าไปเป็นกับอาการเออเนี่เอาตัวรอดการปฏิบัติธรรมไม่อยู่กับความปวดเห็นเป็นอาการที่เกิดขึ้นกับลูกแม่นามกับมันกันเคยจิตใจกับมันกันความกโกรธเป็นอาการของจิตไม่ใช่จิตวังเอาไว้ความรักความชังเป็นอาการของจิตที่มันเกิดขึ้นกับจิตแต่ว่ามันไม่ใช่จิตจิตจริงๆไม่เป็นอะไรแต่ว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นมันจรมา บางอย่างก็ทําให้เศร้าให้หมองทําให้เปื่อเพื่อนได้อันั้นกั บ, บาลาหลังนี้แหละจิตนะใครมาอยู่ก็ได้สาลาหลังนี้ไม่ว่าอะไรจิตของเราก็เหมือนกันอะไรมาอยู่ก็ได้แต่ว่าจิตไม่ว่าอะไรกับอะไรความรักเกิดขึ้นกับจิตอ้าวจิตก็ไปรักแล้วความชังที่เกิดขึ้นกับจิตอ้าวจิตก็ไปชังแล้วความทุกข์ความสุขอะไรต่างๆที่เกิดขึ้นกับจิตเราก็ทํทาตามอาการที่มันเกิดขึ้น ที่จริงมันเป็นอาการมันเป็นอาการมันไม่ใช่ตัวกิจจริงๆนะเป็นอาการกิจจริงๆไม่เป็นอะไรบัด น, นี้มีสติเป็นเจ้าของมีสติเป็นผู้ดูแลเห็นพระพุทธเจ้าตัดไว้จริงๆว่ากิจของเราเนี่ประพัดสอนผ่องใสอยู่สเสมอแต่ว่าอุปจิเลสสิ่งต่างๆมันจรมาทําให้กิจเศร้าหมองแล้วก็ดูออกอาการต่างๆที่เกิดขึ้นกับกิจมันไม่ใช่กิต ดูเข้าไปจริงๆการบรรลุธรรมคือบรรลุตรงนี้ด้วยนะเห็นอาการของกายเห็นอาการของกิจเห็นธรรมชาติของกิจเห็นธรรมชาติของกายตามความเป็นจริงไม่เข้าไปเป็นไม่เข้าไปอยู่กับอาการต่างๆแยกแยะออกทลุงออกย่อยออกเหลือแต่ธรรมชาติเหลือแต่อาการไม่มีใครสุขไม่มีใครทุกข์เป็นอาการเป็นปกติเป็นเคนนี้ผู้ศึกษาผู้ปฏิบัติผู้มีสติ จะได้หลักของกายของใจตามความถูกต้องตามหลักของอริยสัจสีถ้าความหลงมีมก็เกิดปัญหาต่างๆถ้าความโลภมีมันก็หมดปัญหามันตั้งต้นวิชาและอวิชาวิอวิชาเหมือนป่าป่าในชีวิตจิตใจของเราเมื่อมีป่ามันก็มีสัตว์ไ ร, ร้ที่มันอยู่เพราะมีอวิชามีความโลภมีความโกรธมีหลงล้ําลักมีความชังมันอาศัยป่า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 ลิ้นงูมก็มีผิดแต่ลิ้นในนั้นชีวิตของเราอยู่ในโลกพราะเราไม่ได้อยู่คนเดียวอยู่กับหมู่กับเม็ดอยู่กับเพื่อนอยู่กับแสงแดดอยู่กับละอองฝนอยู่กับมดกับแมงกับเหลือบอยุงลิ้นไหลต่งตงางๆนะไม่ต้องไปออกมาเป็นความสุขความทุกข์เห็นมันเอาชีวิตเป็นการศึกษาลู่มันเขาไปปฏิบัติไปคนเนนทาก็รู้แล้วคนสรนเสริญก็รู้แล้วรู้แล้วเนนทาก็รู้แล้วสซนเสริญก็รู้แล้ว เสียก็รู้แล้วได้ก็รู้แล้วรู้จริงๆรู้เรื่องนี้ไม่ให้เสียงเหล่านี้มาทับถมได้แต่ถ้าเราไม่ศึกษาแล้วโอ้รถของโลกทับถมเอนทาก็ซักเราให้ทุกสละเขินก็ซักเราให้สุขเสียก็ซักเราให้ทุ ก, ก, ทกได้ก็ซักเราให้สุขถูกเขาซักให้เราอยู่เช่นนั้นไปคนละมุมไปคนละฉาบชีวิตจิตใจอันเดียวฟูฟูแผ บ, แผบ เหมือนอาจารย์วรเทพทำรูปเขียนรูปทำให้รูปเป็นหน้าบูดพอเปลี่ยนรูปหน้ามันยิ้มที่มันบูดมันยิ้มมันบูดอะไรมันเป็นอย่างนั้นแต่มือในี่รูปมันทำอย่างนี้มันอะไรมันสั่งจิตใจใช่ไหมจิตใจเป็นยังไงจึงสั่งให้รูปทำอย่างนี้ใจดีเนาะก็ทำอย่างนี้อะไรมันสั่งก็รูปแล้วแหละจิตมันดีจิตมันลายใช่ไหม กิจมันล่เอามือไปทำลายถ้ากิจมันดีไม่เป็นไรเพราะนั้นเนี่ยมันสั่งมันชักเราจึงมาดูใชการศึกษาเนี่ยหน้มทนานะการังหนุมกาลรังสาวอย่างเนี่ยให้มีชีวิตไปยาวๆมีความสุขมีความเจริญฝึกเอาไว้ลู้ไว้ไม่ใช่บาแบกหามต่อไปเรื่อยๆศึกษาไปเย<อ>ได้ยินได้ฟังเป็นพระมูสูตรเป็นมงคล